ลูกชาวบ้านเสร็จแล้วต่อมาได้กลายเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็เลยไปดูถูกชาวบ้านไปดูถูกชาวไร่าชาวนาซึ่งเคยเป็นอาชีพของตัวเป็นอาชีพของพ่อแม่อันนี้เรยกว่าลืมตัวลืมตัวลืมรากเงาลืมกําพืชแต่ว่าคําว่าไม่ลืมตัวในที่นี้นี่เรามีความหมายที่ละเอียดกว่านั้นหมายความว่า เราทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่เราก็ไม่ลืมในกิจที่ทำอย่างเช่นกำลังนั่งฟังเทศอยู่หรือว่านั่งทำวัดอยู่พอใจมันลอยไปใจลอยไปที่บ้านบ้างหรือว่าลอยไปที่ครัวบ้าง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 เอาแค่ว่าระลึกได้ก็ดีระลึกได้อย่างฉับไว้นะการละ ว, ว่ากําลังฟุ้งซ่านกําลังปรุงแต่งกําลังลึกเข้าไปในอารมณ์หรือว่ารู้ตัวรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่ดึงจิตมาสู่ปัจจุบันอันนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการฝึกนะสัมมาสติเราก็เริ่มต้น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 พอเราเผิ่มแล้วมันก็ลุดองไปกันละการเจอส ต, ติต้องอาศัยความนุ่มนวลนะแล้วก็ความอดทนแต่อดทนนี่ไม่ต้องไม่ต้องทำด้วยความหน้าดำคํำเครียดทํทำด้วยใจที่สบายมันจะฟุง้งก็อย่าไปโกรธอย่าไปโมโหตัวเอง